เื่อนที่ไปอยู่วัดเมรุภูฏิยานสำนักดูมน้อยหลายวัน่อพักกันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับไปยังวัดหนองปลาผมวันนี้ในประชุมอีกเป็นเวลาที่เสด จ, จากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเยียนเทียน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 แล้วก็เหลืนอนอกนี้ไปเป็นบริเวณเป็นเวลากันงคืนจะมีทายกพิกาทั้งหลายตลาดวรินฝั่งเมืองข้าราชการทีกพวสจ้ออาทจ้าหลายานจะไจะมาร่วมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปี สมัยก่อนวัดต้องววกวพงนี้มีสาขาน้อยวันมาค่าบูชาวันมีสาวกบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ตรงมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระที่สุดสามนเญณและญาติโย่เพรางั้นจึงรู้สึกว่ามีพระทิกสุดสามนเญณมีญาติโยมามากมารวมกัน ในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีายยทายุทธยิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาพระบูชาก็ดีการทำในสาขาบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี่ก็ ขนความลำบากกับพระพิสุสมณีนายกไยิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาปลำบากจึงในขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทธ์บริวารมากให้อยู่เป็นประเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัว หมายความว่าให้ทำมาทะหรือดิสคาบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระชั้องค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้พอดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี้ย เพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่า ง, า ง, า ง, างๆนี้เลยใ ห, ให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยตายยตัิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้ประชุมแห่งเดียวฉันั้นใครมีความอุตสาหะ อยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในรักขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาักขาละอุ่นก็ได้เนี่ยผมด้อนุญาตให้ส่วนพระที่สุสัมมณีส่วนชายกไยรกาทั้งหลายนั้น <Yeah. S 1> ก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจอดมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวก ให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมต่างหลายร้อยอื<ม>ปีนี้หรือ ป, ปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลง<ม>คืออนุรมให้ท ร, รมมาพระบูชาหรือมีสาขาบูชาตามลําพังดังนั้นจึงน้อยลงอื<ม>ธรรมดา อามา่าบูชาวีสักบูชานั้นพระภิกษุสมณีนเราทายกทยิกาทำไหนมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำมธรรมในประเวียนเทีย น, ย น, ยนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกธุดงเนสชิกธุดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกัน ทางทายกทายิกาทางหลายทางพระภิกษุสา ม, มเณรทางหลายนั้นพยายามนั่งการตลอดคืนแล้วก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศน์นล้ก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมการตลอดคืนนั่งเนจชชิกกัรตรงขวากันตลอดคืน อันนี้เป็นหลักการนวิชาการที่ทํามาในวัดห้วงปู่โป่งนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทํากันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดหลวงปู่โป่งนี่ต่อมานี่ก็มีการอะไรคล้ายๆกา ม, มีการเสื่อมลงได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนไ ม, ไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ให้ ม, มันเสื่อมไปก็ มันจะเป็นอีกธิชั่สองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีอน่ะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณทักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทางไหนก็แก่ตามผมไปเหมือนกันผนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนียนก็แก่พระแก่เนียนแก่ญาติโยมก็ดิแก่กันไป ตามตามกันไปเล็นเจเป็นข้อเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากต้ อ, ตองเป็นอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ก่อนมันเป็นของจำเป็นของมัน เ, น อ, เองอันนี้นึกออกเราจะบุคคลที่จะมีปัญญาใล้ๆที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีก อย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รูกร้กับถ้าเนนก็ไม่รู้คือว่านั้นแหละตายมันตายอย่านั้นนี่นีนนนน่ข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมกับบางทีผมเลิกไปซะห้าทุ่มหกทุ่มนเลิกไปไปกระติก เดี๋ยวก็ปล่อยเห็หนละเห็นนิ่ในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักจังหวงหนึ่งเดี๋ยวพ ง, งมาลงออกมามอ ง, มองดูหมดเหมือนกันหมดข้าก็ไปหมดเต็นก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงยโดยพงษ์ก็มายืานดู โ, ดโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะออันนี้ได้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั่นพระพุทธเจ้านิพานแล้วมันก็อาจจะเสือ่อมลงไนดะ้ พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตะพูดของดอกไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นเน่ะโดยมากสายสิทธิทางไหนรักษาในสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงไปไม่ได้น้ำหากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปในไหวเหมือนกันเนาะจาเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีก อืแค่นั่นโดยมากลูกสิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทําตามอาจารย์นะอย่างเนี้อค่อยๆจะทําตามอาจารย์ไม่ให้เกินไปนี่คืว่าผู้ที่นำทาตามอาจารย์อย่างนี้อืชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมาชอบพ่อแม่มันจะ มีพ่อแม่อยู่แล้วก็ทํางานทําหน้าที่การงานที่บ้านหรครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็ทํางานสมเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราอยากไปครูบาอาจารย์เราจากกันแล้วชอบอยากเปลี่ยนแปลงชอบอยากเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากอ ย, า, ย, ออยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่กับกันเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ ไอ้ใครที่ตั้ ง, ยง แ, บบแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ ท, ทำทําเองมันดีขึ้นนะมันตัวดีกันได้อย่างนี้อี่เป็นต้นถ้าอยู่ลงดวมเงินต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารพคารวะขอบรักุตเจียรนี่ดีอืมเป็นตน้นไม่สุ้กับนักปฏิบัติของลาวบทมาทําไมปฏิบัติไปทําไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสีย เมื่อโวรธมันเกิดขึ้นมาตัววิ่งไปตามมันเสียเมื่อโลงมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธตัวิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทําไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแต่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันมันก็เป็นของจริงอย่างนี้นี่มันไม่ยิ่งไปตามอะไรอะไรแต่งนะถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุด เป็นระเบียบ่ดีสูงสุดเฉพาเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่งงเนี่ยแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่ไหมอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะ น, นั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ก่อถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้มันถ่ายทอดกันมานี่ดิ้ดิมาไอความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอความจริงมันไม่อยู่กับไคยมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์กับครูจึงทําหน้าที่ของแต่ของไอแข็งแรงขึ้น นี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็ย้อนลงไปผมก็อชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าจะพระท่านทั้งหลายเลยไม่รู้มัเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้อชอบจะเป็นอย่างนี้อืมอยู่ประท้วนสมทั้งหลายนั้นโดยมากทําอะไรไม่ค่อยเต็มมือ ไม่เคยเต็มมือได้ไม่เคยเต็มใจไม่เต็มไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้ <c oughs> คล้าย่ะที่ว่าเราเป็นเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหะไปมาต่อให้เขาใช่ไคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งเห็นโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้น เราคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจแทรกไปทำวัานนัเพราะมันในเงินท่าบริษัทถือไปหน่อยหนึ่งเราก็ย้อนไปงานอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างเนี้ย่างนั้นมันจึงไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งกระบวนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์เป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไร่วกเรามันจะถึงธรรมะเชื่อว่ามันเป็น ผู้ตามตามธรรมะทางธรรมของพระพุทธเจ้ากันนะทำไมใจเราบางสิ่งจะน้อมไปโสตผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิป น, นุหรือว่าโสดาบัญชร์นะี่ตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรดมันก็ไม่กลับ ในตาคสามผูกมันจะโลคมันก็ไม่ใช่ตามความโรคคือมันรู้ไอ้ความกลัวหรือความโรคนั้นอย่างแก้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ทำแลก็มันเห็นทำด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลกมันไม่ดีบางทีโรคตัวเชื่อมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ทำแต่มันก็เห็นทำอยู่แต่บายังไม่เป็นธรรมคิดยังไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นุดธรรมะกระดัเห็นธรรมะกระดั แต่ไม่เป็นเป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าร่วงมันจะเป็นธรรมนี่มันยากทั้งใจน่ะอร่วงมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไปได้เช่นว่ามันโกอกไม่ได้อืมมันโกอกไม่ได้เช่นพุทเปร่าให้ท่านฟังว่าอืม ถ้าพูดถึงธรรมะล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นออืไม่คนอื่นเขารู้ไม่หคนรู้ว่าไงเนี่ยจะทําความผิดไม่คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่ดูเรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ําก็ดีบนอากาศก็ดี อยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีร้ายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้นะ่ะไม่มีนี่ไม่มีนี่เรียก ว, ว่ามันตกกระแสแ่นะจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีเหรอแต่ว่าคนยังไงตกกระแสน่ยมีนะ่ะไปเอียเรียบทำอยู่คนเดียวน่ะไม่ให้คนรู้ นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะะเราจะไปโปหกใครไปโปหกคนทุกคนไม่ใชนะ่จะไปทําอะไรกิดถูกทีไหนไม่ได้โกหกเลยเช่นว่าบันนี้เราจะโปหกเพื่อนนี้ในวัดแล้วเนี่ยอย่างนี้โปหกข้อวัดกี่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทําันนะอันนี้เป็นต้นพวกเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็น แต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทาําไมคนเห็นเราคําที่ว่าคนเห็นเราเนี่คือครูบางอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นเนื่อคือเราปวดทับทำในวันนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้างกลับมาถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั่นก็ทยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครจะเห็นตัวเรานั่นแหละคนคนหนึ่ง นั่นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงหวังมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนอืมเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนอืมเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้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 ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบวกพลองบาดคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนเดิมมันผิดความหมายที่พระพทุทธเจ้าไนี่ี่ขีผู้โตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะเอมันจะโกหกพกลงไม่ได้ จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันไ่เรามีเข็มคิปอันหนึ่งติดชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แก้ววางอะย่เงี้ยเราก็ไปในป่าถือเข็มคิปก็ไปในป่านั้นอ่ะเข็มคิปเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูจะเอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้ว อันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปรู้เข็มทิศมันไปทิศต่วันตกมันไปทิศต่วันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปคิดใต้ทิศเน ى, ือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเราเป็นผูมรู้สึกของเราผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิด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 อย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอือันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลอืจะปาดไดจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วอืจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในทีน่นี้อืจะไม่มีอะไรมาต่อสู้มัน จัดปัญหานี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูวางสั้งเข้าไปในฟ้าล่ะไอ้ทิศทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันดอกจะแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเราเนี่ยจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปไปที่ไหนนั่นเช่กว่าสัจธรรมคือความจริงฉะนั้นการปฏิวัติ ในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทนจริงๆมันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิ ด, ท, ผ ด, <c oughs> ผดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันกี่นั้นทางนั้นนะอืมพระพุทธเจ้าเนี่ยทาน ม, มีสอง ส, สองอย่างเท่าเนี้ยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ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 ไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทาปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทําอย่างนี้มันจึงตรงไ้ที่นั้นท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันหนึ่งอีกต่างหาก ทางอะไเป็นเรื่องของมันเชนมะม่วงมะม่วงตัวนี้ทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นน่ถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงตัวนั้นหรือในในมะม่วงผลนั้นหรือผลหน้าไม้อันนั้นแห่งความเปรี้ยงเนี่ยว่ะศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายต่างๆซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างอเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวก พุทธบริษัททั้งหลายนั่นมันก็ต่างการวางคนไว้ท่องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คําที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่ไม่เรียนนะอืเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่กอดขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการประวันถ้าเราไม่เรียนเราก็ดูคํานึ่นิดงที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่ เกสาเจโดมานณธาตันตาตาโจนี่ธรรมาชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมาณธาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั้นแหละ ไม่รู้ว่าเรปิดบังของมันอยู่มันเต็มของมันอย่างเนี้ในความเป็นจริงน้่มันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังสารปิญญาเนี่ยอมันเกิดแย้มเกิดับไปเกิดแยมมนกิดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอยู่แล้วเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเอเป็นอันตรจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ย ถ้าเราไปารูปฟังอนิจจังเบธนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังนิจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปฟังอนิจจังเอเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจงจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอด ก, กันมา่ันเสียใจแล้วใหม่มันเป็นอะไรตรงนี้นะนะ่ะนั่นคืออนิจจง แต่เร า, าเรียนแบบรูปฟังอันนีจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่วบบสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปฟังอันนีจังเมทนานิจาสัญญานิจาสัชฌามิ จ, จ, จ, จ า, า, า, าวิญญาณังอีจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องเนี้ยแต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนไม่ได้แต่สูตรมันได้สวดรนีมันเพราะไปโดยนะ่ะ ดูไปได้กรบครองแต่การสวดเลยเพราะสวดทุกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะนนี้บางทีคนนึกอยากเลยนึก ไ, ไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันไส่อย่างนั้นจะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของพันมันมีหมดเดี๋ยวในนั้นเนี่ย ไม่ต้องขางยายขนาดนั่นนะไอ้ที่อยู่เพรมันสั้นฐานคนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านเจ็ บ, บภาวนาแต่วันังนงนนน่งภาวนาเห็นตัวจริงมาเนี่ยนั่งภาวนาดูสิภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถ้าสับทําให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นทำมันั้นเองมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีทำมันให้มันมีขึ้นอะไนี่การกระทาในรัฐพุทธศาสานานี้ก็มาทํา กายวาจาให้บริสุทธิ์เชก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเราบริสุทธิ์นะนี่นี่มันก็สงบท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่นี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิเองคือความสงบทําไมไม่สงบเพราเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็ดูสึกว่าเราสบา ย, ยนี่เจ้าหน้าที่ตาม จับกันอยู่แล้วก็สบายแล้วไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่ะคล้ายๆนี่เลยว่าเราสงบเรามีการมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยัความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิ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 ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีสินไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้สินบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันอืมเรียนแล้วก็สวดอื<ม>สวดหมดนะเชิญอุตตกาปิติธนิกาปิติอันาปิปิติสมาธิทั้งหมดมเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาตะขี มันเบียดนอนก็มาคิดเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้ไปเชิญเราสินก็มาได้อย่างงั้นถ้าไปเชิญเมาที่ก็มาได้อย่างงั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเราก็ะทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างเนี้ยความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอาเนี่ยทิ้งไปอั น, นี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้ดีนี่น <c oughs> ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นในง่ายๆ บางคนก็เห็นไในยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ยาตามพระพุทธเจ้าสอนวายาประมาทนะย่าประมาทย่าประมาทถึงนั้นนี่ทํำไมเพิ่งมาเห็นประมาิมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ทิ่ตรงนั้นนี่มันไม่แน่ตอนนีอย่าประมาทถ้าเราประมาทเราก็ไปยึด ยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกระของที่ที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังก็สิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่มันจะกัดเราอีกวันยันได้มันเป็นเส้นนี้ฉะนั้นทุกอย่างแล้วมันจะดีชั่วประการใดก็ถามมันเถอะเราจิตเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจหรือช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทาง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 เดี๋พูดตามภาษาเราเรียกว่ายาให้มันเมาเมือ่อเป็นทุกข์ยใยมันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นไปนสุขกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่ให้เมาไม่ให้เมาเน่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินปไปให้มันพอดีพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้เพึงมันจะวิบากจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันอะล้วนะไรมันจะยิ่จากเราเราก็เป็นทุกข์ หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่มันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ททมันเกินไป มันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมีดจ่าเท็จทีมันก็ทุกข์มันก็เกิดไปมาให้ความเห็นเช่นนั้นนะเจ้าประเหต์ให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ย ถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์เราก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์คือเกิดมา่กี่ตรงไหนอืมแล้กวก็เกิดแลว้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนต่มันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จกั ก, จกเหตุเกิดของทุกข์รู้จากความหลับทุกข์รู้จากข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความหลับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่น ถ้าเราไม่รู้จากทุกเราก็ไปไหมายมันในทุกนั่นอยู่จะมาไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปแช่ไใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นโทษถึงแม้อาหารการปรับฉันเรืองงการเอ้ยท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เดียวว่าเราชอบมันนะอตอนใบบ่ายมาทองมันดืดนะมันจะงงไปสิเออนะ ตกใจมันเป็นใสอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกเกิดอันนี้มันเป็นทุกนี่อันนี้เป็นเหตุในทุกเกิดอันนี้ความหลับทุกอันนี้เป็นพ่อปฏิบัติขึ้ความหลับทุกอย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทางหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดของทุกรู้จักความหลับทุกรู้จักข้อปฏิบัติขึ้นความหลับทุก มันก็มีเท่าเนี้ยในธรรมะย่อยอๆใช่ไะอะไรทุกมันก็เกิดขึ้นแต่ทุกมัก็รับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกแล้วมันเกิดแต่ทุกมันก็ดับไปทุกมันก็เกิดแต่ทุกกรามีเท่าเนี้อ่าเราจึงทุกเราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทําไมจึงวนวายเพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุก ก็ไปจับกระทุกมาเรียกเนื้อมันจะสุกมึงต่อมาเ ก, กิดกัดเทาเข้าอีกแบบมันเป็นทุกข์ใครฆ่ากังูเห่าก็ชาวนาเน่ยมันนอนตัวแข็งอยู่ประสูนสารมั่นนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเนี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนะี่ยไม่รู้จักอันนะั้ตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็ได้ไปอุ้ม ง, งูขึ้นมา มันอมันถือความโบุญคญุ้นทุกข์วอบุญเกินก็่ัดตัวของเราเส่ไอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดี น, นดะแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ความพอ้อปฎิวันิถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุเดวก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือกระดับไปเพราะมันมีเหตุทำทั้งหลายทางพวงนี่มันเกิดเพราะเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุกมันก็เกิดจากเหตุ ทกนก็คือดจากเหตเรามารู้สิ่งทั้งสี่ประการนี้รู้จากทุกรู้จากเหตุของทุกรู้จากความรดับทุ ก, ร, ก, ร, ทกรู้จากข้ อ, ข อ, อีิบันถึงความดับทุกนี้เท่ mm hmm. านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องะและ้ว mm hmm. ก็เพราะมันดวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิต mm hmm. ถ้าจิตมารู้ว่าทุก ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิตอันนี้มันมันวิ่งถึงกันเลยดังนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันนี้นมันชัดเจนสาคัญได้กระตัดผลจากของหน้ า, าพูดถึงการหลักการที่มชาการที่จะ แยกแยะที่ใหญ่คนเห็นชิงทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากลม่เกิน mm hmm. เรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไกรปีฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้ง mm hmm. ไอ้ทั่เรื่องคิดเนี่โอ้ย mm hmm. บางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็รีเยียนกันไปจนนั้นแหละ mm hmm. เติดอยู่ตรงนั้นอืม ไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาคัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จากสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยมางนเฉยๆยศตัวอย่างง่ายๆว่าดิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการกเราประปรียึงกันนะเมื่อทําแล้วก็ได้จํานวนพอดี แค่นี้มีอีกคนหนึ่งนะไม่พต้องประเดียนอย่างนะ้ปัญญามันเปรียวมันเร็วนะไม่ต้องทําวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทําวิธีนึกคิดให้มันรู้อือันนั่นกับอันนั้นอันนี้กับฟุบเดียวได้จํานวนเป็นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทาเลขดีๆอย่างนี้พูดในผลมันฟุบเป็นมาเลย เช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสําเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการไม่มีชาการก็ดีกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกัน ดังนั้นอย่างที่แตนยกตัวอย่างเช่นพระปะฏิกรพูดเป็นต ร, รู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้ของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทําไมถึงเป็นงั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไงอยู่สีไหนแตงกวาแฉมไสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทําไมถึงเป็นงั้นแต่ไม่รู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ คนใบ้บรรฝันไปนอนกับฝันอืฝันไปเห็นทุ่งนาบังเห็นไร่บังเห็นภูเขาบังเห็นสัตว์ต่างๆบางฝันเรื่อยเลื่อยเตยไปเรื่อแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังให้ได้นเห่ือกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนฝันไปไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้ ข้าพระเจ้กระโภชนี่เหมือนคนไม่นอนฝันรู้ทุกอย่างอืมถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธ ถ, ถึงท่านไม่ดุ้งฝนที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากประจักส์สงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงวัวเห็นควายเห็นจัดต่างๆเอาเรื่องซริงทางไหยเดินมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกัน มันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันอมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันเดียวนั้นเนี่ยแต่<ป>พุทธเทจ้าอยากแก้ค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ใหมว่าไ อ, ตไ อ, อ, อ้ตรงนี้ไอ้ไอ้ไอ้ของสุกโปรมันหยดตรงตัวนี้มันสุกโปร เป็นต้นเราไปเห็นงาที่นี่สกกระโปงง่ายมันนี้ไปตัวนี้สกกระโปงไกลไปน่าจะจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกกระโปงเราจะทําให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ํามาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกกระโปงนั้นออกเนี่ยมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอย่างอื่นมันิ่นิ่งติดตรงนั้นอือถ้าเราไม่ปรีเห็นที่ศกกระโปงแค่นี้ ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สุกะภพเลยนะก็เป็นความสะอาดโนไอความเป็นกินไหนความสะอาดกับสุขภกมันปนกันอยู่ผู้ตุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันบยังไม่ชัดเจนไม่เก่งชัด เลวาความรู้ทางโลกีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่านกิจใจบางของนี้เกิดขึ้นมาแล้วอื <c oughs> ชอบใจมันมันเสียไปทําไมโดยทั่วเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบแล้วทิ้ง ไ, ไปงทําไมมันไม่เสียใจอะไรเนี่ย มันเป็นธรรมดามเป็นธรรมดาไมอเกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนันเดียวกันอย่างพวกเราท่านหลายอยู่ด้วยกันนี้จะอยู่คนอาทิศแต่ทางอยู่คนในจังหวัดก็าตามพีเถอะมาเข้าขอวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดี่ยวไม่กลับอย่างโสตผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ทาน้อมไปี ถ้าความเห็นมันน้อยไปในขณะทุกคนนะไอ้ความเกลียกกล้าลานนี่มันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งเนี่มันก็น้อยเดือวเดือกเนี่ยเดี๋ยวมันรวมกันถึงจุดเดียวกันนะ่ะใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นเนี่ยจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจอเราก็ไม่ไว้ใจของเรานะ่ะเราก็ถือเอาตรงน้นเป็นเกณฑ์ไม่ไปถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคน ถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้เรื่องเราทางหลายจะไม่โกหกพูโกโ ก, โ ก, กันอืจะไม่คิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันอืมจะไม่มีการทะเลาะวะแหว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมก็ไปสู่รวังนั่นนะน้อมท่านจิงเรียกว่าบุคคล ผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุตโชนเป็นปุตโชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำาพวกไหนก็คือคนจำาพวกที่เป็นปุตโธชน ม, มันเป็นกันยาราชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่น ไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองอพวกประชาชนนี้ออันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ามารวมกันไปทางไหนก็เป็นสูปปน่ปฏิปันโนอุจุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้มันรวมไปจุดันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัตบิตรง ใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏะสงสารใครปฏิบัติถูกต้องทางกายวาจาจิตของเราแล้วมันก็รวงกัาไปอันเดียวกันจริงเป็นคุณสมบัติอันนี้